สิกขาบทที่4ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้เมื่อเอื้อเฟื้อนั่งเปิดกายในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับภักคีนั่งเปิดกายในละแวกบ้านในสิกขาบทที่4นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิต